ตมาเพิ่งได้ทราบข่าวเมื่อเช้านี้ว่าท่านอาจารย์ติดนัดฮันหรือที่หลายท่านเรียกว่าหลวงปู่เนี่ยได้มรณภาพเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะในระดับโลกเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะในวงการชาวพุทธที่มีอยู่ทั่วโลกเท่านั้นนะเพราะว่าแม้ผู้ที่ไม่ได เป็นชาวพุทธเนี่ยก็จํานวนไม่น้อยนี่ก็รู้จักท่านในบรรดาชาวพุทธที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกเนี่ยนอกจากไทายาลามะแล้วเนี่ยก็หลวงปู่ตินฑ์ธันมนี่แหละนะเรียกว่าท่านมีสารที่สุทธิญาณุสิทธิท์นี่ทั่วโลกเลยทั้งผู้ที่เรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธเนี่ยตังที้เพราะว่าคําสองท่านเนี่ยนะ สามารถที่จะจับใจผู้คนไม่ว่าจะมีาศาสนาหรือไม่มีาศาสนาเพราะท่านสอนท่นชี้แนะให้ผู้คนเนี่ยได้ค้นพบนะถึงสิ่งสำคัญที่มีอยู่แล้วในใจของทุกคนนะนั่นคือความตื่นรู้ท่านให้ความสำคัญมากนะกับวิธีแห่งความตื่นรู้เพราะความตื่นรู้มันจะนำไปสู่ความเบิกบาน และเมื่อตื่นรู้เบิกบานแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าถึงความสงบเย็นหรือสันติสุขภายในสันติสุขหรือความสงบเย็นนี้ไม่ต้องไปหาจากข้างนอกไม่ต้องไปหาจากครูบาอาจารย์ท่านใดหรือว่าจากวัดวาอารามที่ไหนเนี่ยหาได้พบได้จากใจของเราเมื่ออยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีหนังสือของท่านเล่มหนึ่งเนี่ยชื่อว่า สันติสุขทุกอย่างก้าหมายความว่าสันติสุขเนี่ยเราไม่ต้องไปรอหาจากภายนอกนะแต่ว่าทุกอย่างกาวของเราเนี่ยแหละเราสามารถจะพบสันติสุขได้ถ้ า, ว, าว่าเราเดินอย่างรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณนะอัตอมาอ่านหนังสือธรรมะเล่มแรกของท่านเนี่ยนะที่เป็นธรรมะ เกี่ยวกองการปฏิบัติเนี่ยเรียวกว่าเล่มแรกๆนะก็คือปฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอเมื่อสี่สกว่าปีที่แล้วเนะเล่มนี้มีชื่อเสียงมากสำหรับวัยรุ่นนะอายุยังไม่ถึงยี่สิบเนี่ยนะาการได้อ่านหนังสือเล่มนี้มันก็ช่วยเปิดตาเปิดใจนะให้รู้ว่า หัวใจนะของพุทธศาสนาเนี่ยมันอยู่ที่การมีสติมีความรู้สึกตัวและเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้เข้าถึงได้เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ท่านทำให้ท่า น, ท, านท่านก็ทาให้เห็นว่าเนี่ยนะเราสามารถเข้าถึงความสงบเย็นได้ทุกคนทุกแห่งนะไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตาม ถ้าเรามีสติมีความสึกตัวมีใจตื่นรู้นะหรือว่าทำไรเนี่ยอย่างมีสตินะมีคาพูดประโยคนึงนะที่ดีมากเลยแต่ว่าใหม่ๆก็ไม่ค่อยเข้าใจกินเพื่อกินนะลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยกินซ้มแต่ว่าใจลอยคิดเรื่องงานเรื่องการท่านก็เติอลลูกศิษย์ว่าเนี่ยกินเพื่อกินนะ หมายความว่าทำไรเนี่ยก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นวางแม้กระทั่งเป้าหมายของสิ่งที่กำลังจะทำหรือกำลังทำอยู่และถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะพบกับความสุขความสงบเย็นซึ่งท่านก็เรียกว่าเป็นปฏิหารนะที่ภูหลงเนี่ยวัดป่ามหาวันนี่มีที่ระลึกจากท่านนะท่านมอแห้ตามมาเมื่อหกเจ็ปีก่อน เป็นภาพวาดนะด้วยผู้กันจีนนะแต่ไม่ได้เป็นภาพนะเป็นตวนัวอักษรข้อความว่า this moment is full of wonders หมายความว่าช่วงเวลาขณะนี้ละ่ะเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์นะความมหัศจรรย์ น, นี่ก็ไม่ได้หมายถึงจริงที่เกินเลยไปจากการเข้าถึงคนเรานะแต่ว่ามันอยู่ หรือพบได้ทุกขณะอยู่แล้วนะความสงบเย็นอันนี้คำสอนท่านเนี่ยเพราะว่าง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้เลยเนี่ยมันก็เลยทำให้ท่า น, เ, นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลกแต่ท่านไม่ได้สอนให้เราค้นพบถึงความตื่นรู้ความเบิกบานภายในนะแต่ว่าท่านสอนให้เราเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกได้อย่างถูกต้องด้วย เดี๋ยเพราะการมีเมตตากรุณาอันนี้ท่านไม่ได้สอนอย่างเดียวนะท่านทำให้ดูนะอยู่ให้เห็นด้วยเพราะว่าสมัยที่ท่านยังหนุ่มเนี่ยนะท่านเป็นกำลังสำคัญมากในการเรียกร้องให้ยุติสงครามสงครามเวียดนามเนี่ยเมื่อสี่สิบปีก่อนนี่มันรุนแรงมากนะผู้คนล้มตายกันเป็นแสนเป็นล้าน ในฐานที่เป็นชาวพูดเนี่ยท่านก็เห็นว่าสงครามไม่ใช่ทางออกแต่ว่าการที่ท่านเรียกร้องสันติภาพก็ทำให้เป็นที่เกียิชังของทั้งสองฝ่ายนะคือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายคอมมิวนิสต์นะคนก็หาว่าท่านอยู่ฝ่ายตรงข้ามลูกศิษย์ท่านที่ทำงานเพื่อสันติภาพเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากสงครามก็ถูกฆ่าตายโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ย ถ้าบางงั้นก็รู้นะว่าใครเป็นใครเป็นใครี่ยแต่ว่าท่านก็ไม่มีความโกรธความเกลียดแล้วก็ท่านก็อาศัยนะธรรมะนี่ละช่วยให้จิตใจเนี่ยระ ง, งับจากความเศร้าโศกได้อะไรทําให้ท่านไม่โกรธไม่เกลียดนะก็ว่าท่านมีความกรุณาท่านบอกว่าเนี่ยศัตรูของเราเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ศัตรูเราคือความโกรธความเกลียดความหลง ถ้าคนเนี่ยมันกลับสร้างปัญหาสิ่งที่เราควรทำคือการกําจัดความโกรธความเกลียดความหลงเพราะนั้นเนี่ยท่านก็เลยน ะ, ะไม่ได้เป็นศัตรู ก, กับใครแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้ทั้งสองฝ่ายด้วยความรุนแรงแม้ว่าสองฝ่ายนี้ก็จะทำร้ายท่านแล้วก็ลุกสิทธิ์มากเนี่ย อันนี้ก็เรียกว่าท่านเป็นแบบอย่างความกรุณานะเพราะท่านเข้าใจหรือเข้าถึงธรรมะแล้วก็ท่านก็อาศัยความสงบเย็นภายในเนี่ยช่วยรักษาใจไม่ให้ความรุ่มร้อนความทุกโศกเนี่ยมันเล่น ง, งานจิตใจแล้วก็ท่านก็นำเอาประสบการณ์ท่านเนี่ยมาสอนผู้คนนะในยามที่เจอการกระทบกระทั่ง การถูกทําร้ายนี่เรียกว่าเป็นแบบอย่างแห่งความกรุณาที่จริงท่านก็สอนนะว่ามันต้องมีสองอย่างนะคือปัญญาและกรุณาปัญญานี่ช่วยทําให้เกิดความสงบเย็นภายในกรุณาก็ทําให้เกิดสันติสุขภายนอกและถ้าเรามีปัญญามากๆเนี่ยกรุณามันเกิดขึ้นง่ายๆเพราะเราจะเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสรรพสิ่งมนุษย์เรานี่แยกไม่ออกจาก ผู้คนแวดล้อมอย่างที่ท่านชีนช้ว่าเป็นดั่งกันและกัน interbeing มนุษย์เราต่างเป็นผลพวงจากปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสรรพสิ่งภายนอกท่านบอกว่านในกระดาษแผ่นหนึ่งถ้ามองให้ดนะีเราจะเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เพราะว่าพอมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันจึงมีบรรยากาศจึงมีเมฆ และเมฆก็ทำให้เกิดฝนตกฝนก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยเจริญงอกงามแลวต้นไม้ก็เป็นที่มาของกระดาษถ้ามองให้เห็นเนี่ยอย่างทะลุ ป, ปูปลงเห็นความสัมพันธ์ชื่มยงก็จะพบว่าชีวเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสรบรพสิ่งมากมายความสุขของเราก็ขึ้นอยู่กับความผาสุขของสิ่งภายนอกและผู้คนรอบข้างอันนี้ก็ช่วยทาให้เกิดกรุณานะ เพราะกรุณานี่มันเกิดจากการที่เห็นคุณค่าของสรรพสิ่งและมนุษย์ทุกคนไม่เรียกว่าท่านทําให้คนเนี่ยเข้าถึงนะหรือเข้าใจแก่นของพุทธธรรมได้นะด้วยถ้อยคําที่เข้าใจง่ายแล้วก็ไพเราะนะเพราะว่าท่านก็เป็นโกวีด้วยนะท่านเป็นศิลปินด้วยเพราะฉนั้นการจากไปของท่านนี่ก็ก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่สําคัญนะแต่ว่าถึงแม้ว่าท่านซึ่งเป็นมือนดวงปฏิบัตเนี่ยนะ จดับไปแล้วนะปฏิทินนี้ดับไปแล้วแต่ว่าท่านก็จุดไฟในใจขึ้นมาดจุดไฟขึ้นมาในใจของผู้คนมากมายนะทั่วโลกนะเป็นไฟแห่งความเป็นไฟที่ให้ความสว่างสวัยในทางวิญญาณคือความตื่นรู้เบิกบานนะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ท่านได้ในเวลาที่ท่านได้ละสังขารดับขันไปแทนที่เราจะเศร้าโศกเสียใจอะไรอวรแล้วก็ ให้กลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันพอไม่ได้กระตานที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราก็เสมือนกับว่าได้อยู่ใกล้ท่านนะท่านไม่ได้จากไปไหนนะท่านก็อยู่ในใจของเรานี่แหละเพราะว่า สาระธนะของท่านหรือหลวงปู่ติณธรรนก็คือความตื่นรู้เบิกบานนะเมื่อใดก็ตามที่เราตื่นรู้เราเบิกบานนี่ก็เหมือนกัว่าได้อยู่ใกล้ท่านแต่เมื่อใดก็ตามที่เราปดทุเศร้าหมองรุ่มร้อนห่อเหียวนี่ก็แสดงว่าอยู่ห่างไกลแนว่าตัวจะอยู่ใกล้ชิดท่านก็ตามนะอันนี้ก็เป็นเวลาช่วงเวลาที่เราจะได้น้อนกลับมา อยู่ความรู้สึกตัวจึงจะเรียกว่าเป็นการาน้อมลำลึกถึงท่านแสดงความเคารพบูชาท่านอย่างแท้จริง